ยังไม่กลางเต็มที่นะยังเหลือไม่เป็นกลางบ้างให้รู้เอานะชมพูภาวนาได้ดีนะช่วงนี้จิตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วก็อาร์ตกับพี่จิ๊บอะค่ะสอนพูธทำสมถะแบบง่ายๆบ้างอะค่ะแล้วเหมือนกับจิตมันยอมทำเพราะว่ามันรู้ว่าเออถ้าทำแล้วมันจะภาวนาได้สบายขึ้นมันก็เลยยอมทาแล้วมันก็เหมือนกับมันมีแรงส่งซึ่งกันและกันยเียมันต้องอาศัยกำลังตัวเอง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 ก็ยังรู้ว่าสงสัยอยู่แต่รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกอ้าหมอท็อปทำไมคนอยู่วัดเยอะจังวันนี้ก็ตอนนี้ดีกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ากดแรงกว่านี้ครับอนี้ก็มีกดแล้วก็มีโมหะเบาๆกา<ร> <laughs> ๆ็ช่วงสองสัปดาห์มอรู้สึกไหมหมอวางฟอร์มครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สังเกตว่าตอนประชุมฮรมันจะมี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 รู้สึกไหมเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราก็เฉยเฉยใช่ค่ะนะ<อ>ให้เราคอยรู้ไปเองเเราจะเห็นเลยทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ความรับรู้<ห>ของเรานะช่วคราวทั้งหมดเลย ค, ความสุขก็ช่วคราวความทุกข์ก็ช่วงคราอะไรๆก็ช่วคราวนะยมดูทุกอย่างให้เห็นเป็นความช่วคราวไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวก็มีความสุขไปเองคนนี้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 ตอนนี้ตื่นเต้นคไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรงไงตื่นเต้นแล้วเราไปกดไปไปรูบไปนะอันนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเราก็หัดรู้เอานะหลวงพ่อไม่ได้ตาหนินะหลวงพ่อจะหัดให้รู้จักสภาวะได้เยอะๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในใจเรานิดหน่อยเราก็มองเห็ น, นเอาว่าไปก็ช่วงก่อนหน้าที่จะมาเขาที่แล้วเนี่ยมันจะ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 แล้วไงแล้วหลวงพ่อมีอุบายหาหลวงพ่อไม่ใช่คนเจ้าเล่ยเพรทุบายเรารู้ว่าสิรู้หลักนะเอาหลักอุบายไม่สําคัญหรอกรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่ยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้เป็นงั้นนะรู้ลงไปเลยค่อยที่ทําอยู่น่ะก็ใช้ได้แล้วเวลาเจอคนนี้ทุกทีมันช่วยไม่ได้จิตเป็นเกลียด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 ให้เป็นนะคะมันเดินได้แล้วก็มันจะทำอะไรก็ให้มันทำค่ะเออดูอย่างนั้นก็ได้นะถ้างั้นเห็นนะเห็นศพนี้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆศพนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูไปเรื่อยและเห็นมันตายเป็นระยะๆด้วยค่ะดีดูไปอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราค่ะดูไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าหมดลมตัวเราก็หายค่ะไม่หมดลมตัวเราก็หายได้ถ้ามีสตินะ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 าไปสัปดาห์นี้มันรู้ตัวได้น้อยมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะรู้เองได้โดยอัตโนมัติใช่มันรู้เองอัตโนมัตินะต้องรู้<ห>บ่อยๆนะไหนยืนได้หไหนสิให้ผู้ใหญ่เขามองหน้าหน่อย <c ười> หมุนไปรอบๆแบบนั่งได้ <c ười> <c ười> <c ười> ดูจิตมันจะยากอะไรรู้ซื่อๆเนาะ ดูไปซื้อๆเอมื่อกี้ใครยกมือคนนี้คนนี้แล้วก็คนเสื้อสีชมพูกามนัฏการพ ร, ระอาจารย์ครับตื่นเต้นอยู่ครับยังไม่หา ย, ยทีทีอยากหายแม่ลองลุกขึ้นแล้วหมุนหนึ่งรอบคือวันนี้ผมมีเรื่องมาถามสองเรื่องค่ะคืออยากจะบอกว่าทุกวันนี้การปฏิทําสำหรับผมนี่เป็นเรื่องสนุกมากๆเลยค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 แต่การที่จิตจะสอนตัวเองเนี่ยมันสอนโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาบางทีก็เป็นเสียงตัวเองก็ได้นะบางทีเป็นเสียงคนอื่นก็ได้บางทีมีภาพประกอบด้วยอเอาแน่ไม่ได้หรอ อ, อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องตะภาวะแต่ผมต้องเรียนถามหลวงพ่อก่อนว่าผมควรจะจะเล่าไหมฮะเอาลองเล่าอยาวๆนะครับผมถ้ายาวเดี๋ยวคนอื่นบ้อมเหร อ, อกเ็เป็นเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนนะฮะตอนผมไม่สนใจอะไร เ, เกิดขึ้นที่วัด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 แล้วกนะ็แล้วเราจะลืมตาขึ้นตอนพอจะลืมตารู้สึกว่าตัวเราไม่มีคนะับออันนั้นมันเป็นสมถะนะครับผมอย่างตอนที่เรานั่งฟังไปเรานั่งดูดูไปจิตมันรวมลงไปอ๋อนะจิตมันรวมไปร่างกายหายไปดี <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะคุณสีชมพูนะนะแล้วมาข้างหน้าแล้วมาทางนี้นักปราทครับก็อาทิตย์ที่แล้วนี่มามาบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อละอึดอัด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 เห็นชัดครับมันวิ่งกืบอบทุกเรื่องที่เรามันไปด้ทุกเรื่องนั่นแหละเราตูบอลมากจิตมันเลยฟุง้งซ่านฮะมันวิ่งตามลูกบอลมานานครับแต่เห็นชัดดีครับหลวงพอ่อครับก็คงส่งมาข้างหน้านะเราต้องมีอะไรต้องปฏิบัติไปพักให้มากกว่านี้นะครับพักน้อยเกินไปภาวนาไม่ไหวนี่ข้างนี้คนนี้คนนี้ก่อนนะกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ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 เรามัวแต่ไปรู้สภาวะทั้งหลายนะบางทีเรากิเลสเกิดแล้วเราละเลยเราไม่เห็นนะเช่นคนโน้นบอกไปรู้ว่างๆมีความสุขมีความพอใจเกิดขึ้นไม่เห็นว่าพอใจราคะเกิดมของคุณนะแม่พอมันเปนิ่งทื่อๆอยู่มันหงุดหงิด <c oughs> นะเรามัวแต่เห็นว่ามันทื่อๆเราไม่เห็นว่าหงุดหงิด <c oughs> นะมันถ้ากิเลสเกิดขึ้นในใจนะให้รู้ทันลงไปนะ <c oughs>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 ไม่จำเป็นนะเดีย๋ยวจำเป็นแล้วหลวงพ่อบอกให้เอามาส่งมาเบอร์สามสบเอ็ดคุณคะ่ะกับนมรักาการค่ะหลวงพ่อคำถามต่อเรื่องจากพี่ปกปกแดงอะนะคะเกี่ยวกับการไปคุกกับทางโลกอะคะ่ะที น, นี้ถ้าคุกกับทางโลกเนี่ยเราจะกลายเป็นตัวประหลาดอะไรไปหรือเปล่าคะอะไรนะคือในไปคุกกับโลกในชีวิตประจำวันเนี้ยะคะ่ะแลว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 ในความโกรธก็จะหายไปหรือบางทีเราเนั่งหรือว่าเราเราเผลอหลับไปเงนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอออ๋ อ, อตัวนี้ ท, ที่ที่กำลังหลับอยู่อย่างนี้ก็ดีนะรู้สึกไปเรื่อยๆใช้ได้ละเห็นไหมไม่มีตัวเรามาส่งมาเบอร์เจ็ดยกมือไว้ยกมากมไว้เดี๋ยวมันหายไปกลางทางแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปมุม น, น, น้นนะ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 นึกถึงเราใส่บาตรนี่คือเราทำทานนึกถึงเราถือศีลนึกไว้นึกทานนึกศีลแล้วก็ถึงต้นไม้ถึงอะไรเวลาตายแล้วเราได้ขึ้นสวรรค์มีต้นไม้อยู่แต่การที่เรานึกว่าเราไปนอนในป่าแล้วอยู่ใต้ต้นไม้นี่ดีใช่ไหมกระส่านก็เป็นวิธ okay. ีทําให้นอนหลับนะแต่พยายามนึกถึงทานนึกถึงศีลของเราให้มากๆไวจะนึกถึงต้นไม้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนึกถึงทานกับศีลไว